ในพิธีพระราชทานปริญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่33ประจำปีการศึกษา 2,561 ระหว่างวันที่ 19-23 ถึงสิงหาคม 2,562 ณหอประชุมราชมงคลธั ญ, ญบรุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีอำเภอธั ญ, ญบรุรีจังหวัดปทุมธานี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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆจะช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอคุณผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ะ4นาฬิกานาทีถึง5นาฬิกานะคะทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะก็แต่ละสัปดาห์เราก็มีหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยามาฝากคุณผู้ฟังค่ะ ดำเนินรายการโดยเราทั้งสองคนค่ะดิฉันทิรัตว์ดียิ่งมีค่ะแล้วก็ลุงยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์ประจํำภาควิทย า, าคคณะรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลุงยุย้ยสวัสดีครับน้องตีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับผมค่ะลุงวันนี้เรื่องราว<ส>ที่เราจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยเป็นเรื่องทาง จิตวิทยาหรือว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยส่วนตัวก็ไม่ไ ม, ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองฟังดูแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมใช่เรื่องใกล้ตัวที่พูดคุยในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอิจาริษยาค่ะลุงอ่ออิจาริษยาครับลุงว่ามันเป็นนิสัยส่วนตัวหรือว่ามันเป็นจิตวิทยาคะลุงว่าโดยวความเป็นจริงมันมันติดตัวเรามาด้วยด้วยเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าด้วยอะไร อันนี้คือส่วนหนึ่งขณะดียวกันเป็นจิวยาไมมก็อาจจะเป็นจิวยา ก, ก็าได้ในบางส่วนนะครับค่ะคือบางทีคนเราเนี่ยเกิดมาปุ๊บแล้วอิจฉาริษยาได้เลยไหมคะพอเริ่มที่จะจําความได้เริ่มที่จะโตรับรู้เรื่องราวเราสามารถอิจฉาได้เลยปะคะเราไม่ได้สามารถอิจฉาได้ด้วยตัวเองนะอันนี้ต้องบอกนี้ก่อนแต่เราถูกการฝึกการ สอนการเลี้ยงดูแล้วมันมีผลทำให้เรามีความอิจฉาเกิดขึ้นมาในตัวได้ค่ะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมคนเราถึงอิจฉาริษยานะคะการเลี้ยงดูมีผลไหมแต่ละช่วงวัยเนี่ยการอิจฉาริษยาจะมากน้อยแค่ไหนแสดงออกพฤติกรรมอย่างไรอย่างนี้นะคะลุงลุงว่าอิจฉาเนี่ยคืออะไรคะอิจฉาเนี่ยถ้าเราดูกันจริงๆเขาบอกว่า เป็นส่วนที่ไม่ดีเนาะเราน้อยเนื้อต่าใจอย่างมีเหมือนเขาแล้วไม่มีมนะครับแต่ว่าอิจฉานี้เบาป่าริษยานะต้องว่าอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็ะจะพูดติดตดกันนะคะว่าอิจฉาริษยาเนาะเออใช่ครับแต่ว่าต้องบอกให้ได้ผู้ฟังทราบก่อนว่าอิจฉาเนี่ยเป็นกันได้เยอะแต่ว่าริษยาเนี่ย ม, มันมันแรงกว่าแล้วก็มันน่ากลัวกว่าค่ะ ทำไมคนเราต้องอิจฉากันนะคะคือการอิจฉากันเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติเลยไหมคะสำหรับสังคมปัจจุบันสำหรับสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับลุงลุงไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจว่านี่คืออิจฉาหรือเปล่าแต่ที่ลุงเห็นบ่อยมากเลยคือไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยไหนก็แล้วแต่เนี่ยติดปากเดือยติดปากคาว่าอิจฉานะบางทีลุงลุงคิดว่าเขาไม่ได้อิจฉา เพื่อนซื้อขนมเดินเข้ามาแล้วบอกโอ้ยฉาจังเลยเธอมีขนมกินด้วยคือคนที่พูดคําว่าอิจฉาเนี่ยมักจะไม่ได้อิจฉาจริงๆอิจฉาจังเลยทําไมสวยขนาดนี้เคยรู้สึกงั้นไหมอิจฉาจังเลยทำไมเก่งจังคะอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้รู้สึกอิจฉาแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขาอิจฉาในสยามบางทีเขาไม่ได้พูดออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะถูกครับแต่ถ้าหักว่าพูดออกมาลงมีความรู้สึกว่ามันคือการติดปากแล้วก็พูดออกมาเพื่อให้มันมีความรู้สึกว่า อเออนี่คือส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อิจฉาจริงๆค่ะค่ะบางทีคําพูดว่าอิจฉาก็ดูน่ารักได้นะคะอย่างอัดรูครับเอออย่างที่ที่พูดอะว่าอิจฉาจังเลยทำไมเก่งจังเลยคะทําไมทำอะไร ต, ต้องประสบควา ม, มสำเร็จน้อย <laughs> ใช่มันเป็นเสียง<ๆ>ของความชื่นชมเขานี้อิจฉาลิษยาเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกกับเราเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมคะครับ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะอิจฉาคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือว่าเขามีดีกว่าเราใช่ไหมคะอิจฉาค น, นที่ต่ากว่าวเราได้ไหมก็ได้เหมือนกันน ะ, ะแต่ว่าเอาอันนี้เอาอันแรกก่อนคืออิจฉาในส่วนที่เขามีดีกว่าเราอันนี้ยน่าหน้ า, น, าน่าสนใจมากค ะ, ะครเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับเราจะเห็น้วยว่าที่จริงอ่ะคุณก็มีดีอยู่แล้วคุณก็สวยคุณก็หลอ่อคุณก็มีตังคง์คุณก็มีฐานะการงาน แต่พอเจอใครที่ดีกว่าแล้วคุณไม่พออันนี้คือประเด็นสาคัญใช่ไครับคือทุกคนเนี่ยจะมีจะมีดีคนละอย่างกันถูกไหมคะมีดีที่มันแตกต่างกันมันถึงได้มีความอิจฉาเกิดขึ้นมาได้ครับพอไม่พอปุ๊บก็จะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ยคนนั้นดีกว่าเราคนนี้ดีกว่าเราค่ะมันก็ถือว่าเป็นความอิจฉาในระดับหนึ่งค่ะ แต่ละช่วงวัยลุงคะความอิจฉาริษยามันแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันไหมคะอย่างกับเด็กความอิจฉ า, านะเขาอิจฉากันเขาจะแสดงออกมายัางไงคะถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะครับเขาก็ถ้าเป็นเด็กเด็กที่อยู่รวมกลุ่มกันซึ่งไม่แยกเป็นพี่น้องกันเนาะค่ะนะครับเราจะเห็นเลยว่าบางทีเนี่ยเวลาที่คุณครูเนี่ยเดินไปหาเด็กคนใดคนหนึ่งหรือไปจับเด็กคนใดคนหนึ่งบางทีคงเคยเห็นนะเขาจะมีเด็กคนนึ่นเขาจะตามมะ บางคนก็เป็นดึงมือครอกลัวครูจะหลักเพื่อนมากกว่าตัวเองต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือเริ่มต้นของการอิจฉาแล้วนะอืแล้วการอบรมเลี้ยงดูล่ะคะมีผลที่จะทาให้อิจฉาไหมของพ่อแม่ผลเลยแหละนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยงดูก็อยู่กับว่าเราเลี้ยงดูยังไงถูกไหมครับถ้าพ่อแม่เกิดดีพี่น้องหรือว่าใกล้เคียงอายุใกล้เคียงกันแล้ว ก็แม่เริ่มด้วยการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะฮะทาไมพี่เธอเก่งกว่าเธอเออนี่นี่นี่ดูน้องเขาโดยเฉพาะน้องเนี่ยและพี่จะเสียใจเนาะเท่าพี่มาเปรียบกับน้องอ่ดูน้องเขาน้องเขาอ่อนกว่าเธอตั้งสองปีนะทำไมเขาทำได้แล้วเนี่ยเขาก็จะอิจฉาน้องใช่ไหมคะอ่าเขาก็จะรู้สึกไม่ดีและอาจจะอิจฉา แต่น้องทีลุงกล้าบอกเลยว่าน้องทีเป็นมนุษย์ที่ไม่อิจฉาใครแน่ๆเพราะน้องที่มีลูกเดี่ยวไม่แน่นะคะลุงแม่ที่อาจจะเปรียบเทียบกับลูกข้างบ้านอ่าอาจจะอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ถูกไหมก็บางทีมีพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะต้องมีจิตวิทยาในการเลี้ยงดูคือบงคนต้องต้องหลายๆอย่างนอกจากห้ามเปรียบเทียบแล้วมีอะไรอีกไหมคะลุงมีอีกครับอย่างเช่นว่า เออเวลาทํากิจกรรมอย่างเงี้ยดีความที่เราไม่ไม่นื้อเกินเนาะแต่ว่าเราก็ทําให้รุนไอ้นี่ไปด้วยกันแต่บางทีมันหนักไปทางคนใดคนหนึ่งค่ะหนักในนี้คือคนหนึ่งหนักแบบแย่อีกคนหนึ่งหนักแบบดีอนะครับเขาก็จะเจอความรู้แต่ว่าอ้าวทาไมเขาถูกถูกให้ถูกบ้านด้วยล่ะแจะก็ได้เดียวกันน้องแค่กวาด วัดบ้านสมมุติว่าอย่างนี้นะครับทำทั้งคู่ครับแต่ว่าความหนักต่างกันอืเพราะว่าเป็นพี่ไงใช่ไงเป็นพี่ต้องเสียสล ะ, ระหรืออะไรแน่แหละเขารับได้หไหมคะ<ง>เด็กเนี่ยไอ้ที่ส่วนใหญ่ที่จะเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองมักจะพูดว่าเป็นพี่ต้องเสียสละต้องทํางานหนักมากกว่าน้องต้องเสียสละให้น้องจริงๆในวัยเด็กเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขารับได้ไหมคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝัง บ, บ่อย รู้ว่าเขาไม่เข้าใจความหมายของคาว่าเสียสละอืมแต่สิ่งที่เขาเห็นชัดๆคือพ่อแม่ให้ฉันทำมากกว่าอีกคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ถูกต้องเลยเกิดความไม่ยุติธรรมนะครับอืมผู้หญิงกับผู้ชายนี่ใครจะมีความรู้สึกอิจฉามากกว่ากันลงุง เ, เพศนะเพศผู้หญิงถ้าถามทีไม่ไม่อยากไม่อยากจะว่าเพศหญิงแต่ว่าลุงว่า เน่งจากผู้หญิงเนี่ยมันมีอะไรจุกจิกจุกจิกมันมากมากกว่าคิดและคิด น, คน้อยอ่าอาจจะอย่างนั้นนะครับก็เลยแม้กระทั่งการเรียนอย่างเงี้ยอยู่ในอยู่ในกลุ่มเดียวกันรักกันทั้งกลุ่ม อ, อย่างสนิทสนมเลยแต่บางคนเรียนเก่งกว่า น, นอย่างหนึ่งแต่อีกคนนึงน้อยใจใแอบอิจฉาเล็กเลอะไรอย่างเงี้ย น, นะครับมันเกิดขึ้นได้นะคะต่อให้เป็นเพื่อนรักกันจริงไหมคะลุง เป็นเพื่อนรักกันเราก็รู้สึกหวังดีกับเขานี่แหละแต่พอเพื่อนเราอาจจะได้ดีได้รับคําชมเก่งกว่ามันอดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกอิจฉาแบบเบาๆบางคนจะได้แต่คิดแต่ว่าถ้าไม่แสดงออกมันก็ถือว่าเราก็ควบคุมมันได้ดีใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องแล้วคับค่ะอายุมีผลต่อความอิจฉาลิสยามไ้ยคะพอแก่ตัวลงเลยเราจะไม่เริ่มมองโลกแบบต้องโลกแบบมองโลกแบบตรงละ ไม่อิจฉาลิสย า, าไม่อยากได้อยากดีอะไรทั้งนั้นูกครับคือพอพอผ่านวัยหนึ่งมาแล้วเนา ะ, ะผ่านความเจ็บช้ำน้ําใจผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอถึงตรงนั้นทุกเขาเขาจะเอาตรงนั้นนะ่ะเป็นประสบการณ์แล้วเขาก็จะเริ่มไม่อิจฉาแล้วเริ่มมองเห็นแล้วบอกว่านี่แหละแต่ก่อนเนี้ยนาก็เคยเป็นอาก็เคยเป็นป้าก็เคยเป็นแตนป้ า, า, าแล้วอาอะไรก็ทําได้แล้ว ผ่านมาหมดแล้วใช่ใช้ผ่านมาหลายๆเรื่องนะครับนะคะถือว่าความมีชาก็เป็นพื้นฐานปกติที่แต่ละคนพึงจะมีนะคะถ้าพฤติกรรมการแสดงออกเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันในช่วงของเบรกที่สองนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ จบชะตาแกลงกันให้ฉันมาตัวเปลา่าไม่ได้มียังใครเขาให้ฉันเงียบเงาและเดียวดายฉันอยากเหมือนใครๆฉันถึงได้ายความมันไปพยายามฉันนักใครใครแต่เกียรติกายให้ได้ ฉันมันอิจฉาไม่ว่าใครที่มาใกล้เธอฉันมันอิจฉาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครฉันมันอิจฉาคนที่ทำโม่คนที่ออทะคอยห่วงใย ทั้งที่รู้จะเป็นยังไงจะเจ็บแค่ไหนที่ปลายทางฉันอยากเหมือนใครๆฉันถึงได้ไขความมันไปพยายามฉันนักใครๆ่ๆแต่เกียรติกายให้ได้มาฉันมันอิจฉา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 Heavily, he may not understand. w h o สู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราพูดถึงความอิจฉานะคะอิจฉานะคะลุงยุ้ยไม่ถึงกับริษยาใช่ไหมคะไม่ถึงกับริษยาครับแค่อิจฉาเล็กอืคือตา ย, ยังไม่ร้อนตา ย, ยังไม่ร้อนถ้าฟังเราสองคนตั้งแต่เริ่มก็จะรู้ว่าอิจฉากับริษยามันแตกต่างกันนะคะถ้ า, าริษยาอาจจะมีความอาฆาต อาคันริสยาจะต้องอาคันไม่พออาจจะต้องถึงขั้นลงมือลงไม้อาจจะถึงขั้นวางแผนแล้วที่จะทำให้คนที่เราไม่ชอบเนี่ยให้มันพ้นไปหายไปจากโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นอันนั้นน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเราถึงไม่พูดคําว่าริษยาเราพูดคําว่าอิชารมไม่พูดคานี้ครับเพราะว่าอิจฉาเนี่ยถือว่าทุกคนเป็นกันได้ เป็นได้ครับทุกคนสามารถเป็นได้แต่คนนี้ถ้าถ้าเรารู้สึกอิจฉาใครสักคนหนึ่งด้วยเรื่องอะไรก็แเราแต่เราจะมีวิธีอย่างไรเดี๋ยวต้องฟังเราในช่วงเปลี่นนี้แหละนะคะลุงยุ้ยค่ะเพราะอะไรเราถึงไม่ควรอิจฉาคนอื่นคะอืันแรกเลยเนี่ยการอิจฉาเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันทําให้เราใจคอไม่ค่อยดีเนาะนะครยกตัวอย่างอย่างเช่นตัว่าลุงแอบอิจฉาน้องทีว่าทาไมน้องทีถึง เป็นวิยากรพูดเก่งกว่าลุงนะถึงน้องทีไม่ได้อยู่ตรงนี้พอใครพูดถึงน้องทีพูดถึงความเก่งของน้องทีเท่านั้นลุงไม่พอใจคือขาดลาจะรู้สึกใหม่พอใจจะรู้สึกว่าทําไมนะฉันลุงพูดออกมาไหมคะที่กําลังคือบางอืมอันนี้คืออันนี้คือหนึ่งส่วนก็คือเก็บไว้ อแต่ถ้ า, าบางคนเขาพูดออกมาแล้วคะลุงว่าก็ไม่เห็นเก่งนะวันนั้นไปเห็นทีพูดทีก็พูดผิดพูดถูกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือถ้าพูดออกมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยถ้าเผื่อว่าลุงพวกเราบอกทีไม่เห็นจะเก่งเลยแล้วคนรอบข้างได้ยินเขาเขาสนับสนุนทีเงี้ยค่ะลุงจะกลายเป็นเสียเลยนะก็ะถ้ารู้สึกอิจฉาใครก็ให้เก็บไว้ในใจใช่ไหมคะลุงแค่รู้สึกไม่พอใจไม่อยากฟังก็เดินเลี่ยงไป มีการแสดงออกให้เห็นดังสือหน้าบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้หลุดออกมาเลยเป็นคำๆเลยที่เธอทำอย่างเงี้หรือว่าทีไม่เห็นจะเก่งเลยและทุกคนหันมามองอกว่าลุงนั่นแหละอิจฉาเพื่อนออืเสียเลยรไหมครับค่ะแล้วถ้าเรารู้สึกอิจฉาเนี่ยเขาเก่งจริงๆสมมติที่เก่งจริงๆลุงลุงจะสามารถเปลี่ยนไอความคิดของลุงว่าเออเขาก็เก่งนะเราก็เก่งในบางนึงอย่างเงี้ยมันทํายากไหมคะลุง อันนี้เขาเรยกว่าโมทนาไปเลย oh. เห็นไหมครับคือแทนที่จะไปไปไปรู้สึกว่าอยากจะแข่งขันกับเขาโมทนาเลยเฮ้ยเก่งจริงๆนะเนี่ยเออชอบจังเลยเนี่ยพูดอย่างงี้จังหวจะจากคนอย่างเงี้ยลุงชอบจังเลยชื่นชมยินดีไปกับเขา oh. เ่็นไหครับความหมายตรงนั้นก็จะเปลี่ยนไปอีกนะคนฟังคนฟังก็จะรู้สึกว่าดีใจมีความสุขแล้วลุงเชื่อว่าคนที่ฟังเนี่ย เขาก็ต้องหาข้อดีกลับมาบอกว่าเออลุงที่เองก็เก่งอย่างนี้นะครับลุงยกยกตัวอย่างดีจังเลยครับอ<ะ>ันนี่คือสิ่งที่มันจะวินวินครับคือถ้าอิจฉาใครหรืออะไรสักอย่างก็อยากจะให้มองในมุมที่มันกลับกันนะคะอย่างสมมุติว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตื่นเช้ามาเขาก็บน่นบ่นบนบนลุงทําไมไม่อัดข้าไปโรงเรียนทําไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้เราก็จะอิจฉาเพื่อนที่แบบเออดีอะ่ะไม่มีพ่อมีแม่ ไม่มีใครบนส บ, บายจะทําอะไรก็ได้แต่ว่าในมุมกับแกนเพื่อนเขาก็จะอิจฉาเราว่าดีจังเลยอะที่มีพ่อแม่คอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับคือเวลาอิจฉาใครก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยากจะให้มองในอีกมุมนึงนะคะบางทีเขาก็อิจฉาเราอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเอะใช่ครับแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ไงนะครับว่าเขาแต่ถ้ า, ขาเขาพูดออกมาเราก็จะได้เขาา้าใจและเราจะได้อธิบายให้เขาฟังได้แล้วก็เราอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้มัน ให้มันเบาลงหน่อยหนึ่งให้ไม่ต้องขอโมยซีนกันค่ะนะครับอย่างที่อิฉาลุงว่าลุงมีแฟนสวยถ้าทีบอกว่ารู้สึกอิชาจังเลยที่ลุงมีแฟนสวยแต่ว่าลงุลงก็จะอิชาทีว่าแฟนทีก็เป็นคนดีคือคือกำลังจะจะบอกคุณผู้ฟังว่าลองลองหาแต่ละมุมในในในข้อดีที่มันเป็นของ ของการแลกกันนะคะลุงเพ<ช> <ผม S 2> ราะ ค, ความอิจฉามันจะมันจะได้เขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ได้ว่าเยอะแยะมากมายแต่เป็นการอิจฉาบเบาๆน่ารักนรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแล้วมีอย่างนี้ด้วยทั้งทีมันจะทําให้คำอิจฉาเนี่ยมันเป็นในแง่บวกก็ได้นะค่ะเช่นแทนที่เราเ อ, าอ่ออเราิจฉาเขาได้ครับแต่ว่าเอาพลังตรงนั้นนะ่ะมาปรับตัวเองให้ตัวเองดีขึ้น อย่างที่เป็นอย่างที่เป็นคนโสดอย่างเงี้ยลุงที่โสดทีก็จะอิจฉาคนที่เขามีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมีลูกมีสามีเชื่อไหมคะคนที่เขามีครอบครัวแบบนั้นเขาอิจฉาทีที่ทีโสดสบายตัวที่หลงไปอิจฉาเขาเขาก็อิจฉาเราที่็ว่าไม่ไม่อิจฉาแล้วกันก็มันเป็นคนละมือเราก็ที่บางคนถ้ามองสุดดีของตัวเองมันก็มีความสุขทั้งคู่คือบางทีเราไม่ได้เป็นเขา เขาไม่ได้เป็นเราเราไม่ได้เป็นเขาเราก็อิจฉาเขาแต่ในมุมที่เป็นเขาเนี่ยเขากลับมาอิจฉาเรานะคบเรื่องบางเรื่องก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปนั่งอิจฉาคือบางบางทีเนี่ยอย่างลุงเนี่ยมีคนเคยพูดให้ดีเลยอี่ชาลุงยังเล่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นลุงก็นึกในใจทันทีเลยว่าขอพูดพูดไม่เพราะะอี่ชาพูดทำไมวะก็ไม่ได้ดีเด่นอย่างที่คุณคิดหรอกนะบางทีก็ปกติ ลุงก็ใช้ช<ะ>ีวิตปกตินะคะใช่ครับใช่ครับลุงคะ่ะถ้าเราไม่อิจฉาเนี่ยไม่รู้สึกอิจฉากับอะไรก็อาจจะวางเฉยนะคะอุเบกขาอืมอือ๋อไม่อิจฉาเราจะมีความสุขอย่างไรคะลุงก็ <c oughs> อันแรกเลยคือเราพอเราไม่เปิดเทียบเนาะเราก็จะรู้สึกว่าใจเราเนี่ยมันมันมีความสุขละค่ะ <c oughs> อันที่สองคือให้การเปิดเทียบก็ได้เพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่า บรรทัดฐานที่เราเปรียบเทียบเนี่ยถ้ า, ถาเราเปลียบเทียบคนที่สูงกว่าดีกว่าวเราจะไปให้ถึงไหมล่ะคืออิฉา ย, ยังไงก็ทําไม่ได้อิชาจยังไงก็ทําไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมามองตัวเองแล้วก็บอกว่าแค่นี้ก็ดีและดีกว่าอีกคนที่มันแยก่กว่านะอืแค่นี้ก็พอละพอละอะไรนะแค่นี้ก็พอละอืมคือไม่ว่าจะอยู่ในในจุดใดนะคะลุง คือ<บ>อยากให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีอะหอให้ให้เต็มความสามารถถ้าอิสระคนอื่นในเรื่องของการทำงาน<บ>แล้วเขาอาจจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าเราก้าวมาพร้อมๆกัน อ, อย่างเงี้ย น, นะคะ<บ>ลองดูศักยภาพของตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้ดีกว่านี้ไหมเราพัฒนาตัวเองอได้มากกว่านี้ไหมถ้าเราทำได้ เ, เราก็ลองทำดูค่ะมันต้องรองตั้งหนึ่งแตบอกว่า มันไม่ได้ตอนนี้เราก็ยอมรับลงตันตรงนั้นแล้วก็ยอมรับแล้วเราค่อยๆพัฒนาได้ไปเรียนเพิ่มนะคะไปเรียนเพิ่มไปหาครูรูผู้เชี่ยวชาญอะไรสอนอะไรก็ก็น่าจะดีกว่ามานั่งอิจฉาเขาไปวันๆหนึ่งนะคะลุงค่ะถ้าไม่อยากอิจฉาวันนี้อิจฉาคนนู้นคนนี้คนนั้นอิจฉาทุกเรื่องเลยต้องเริ่มต้องเริ่มจากอะไรดีคะไม่อยากอิจฉาล่ะต้องเริ่ม ปรับความคิดใช้ชีวิตอย่างไรคะต้องเริ่มจากการที่มีสติแล้วก็อยู่กับตัวเองค่ะนะคะต้องมีสติก่อนครับต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณมาสำรวจตัวคุณเองว่าหนึ่งสองสามสีห้าในตัวคุณน่ะมีอะไรบ้างค่ะไม่ให้สำรวจแต่ข้อเสียนะกรุณาสำรวจข้อดีด้วยค่ะเพราะว่ามันจะได้เป็นกําลังใจให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ยังมีข้อดีอยู่ใ น, ในตัว คือทุกคนมั น, นมีดีแตกต่างกันอยู่แล้วครับทุกคนมีดีนะอย่าอย่าอย่ยาตอบว่าโอ้ไม่เห็นมีดีอะไรสักอย่างเลยนะครับแสดงว่าคุณยังไม่ได้สำรวจจริงๆค่ ะ, ะคแต่ถ้าคุณสำรวจจริงๆแล้วคุณต้องมีข้อดีขณะเดียวกันคุณมีข้อด้อยในความด้อยของคุณตรงเนี้ยคุณจะพัฒนาจะปรับปรุงหรือเปล่าล่ะค่ะที่สำคัญก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันเป็นข้อด้อยของเราจริงจริง ใช่ครัไม่ใช่ปฏิเสธถ้าปฏิเสธก็ไม่รู้ตัวเองอย่างเงี้ยนะลุงก็จะคิด<อ>ว่าตัวเองเก่งบางทีแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเราปกติเราทําไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราคนอื่นเขาทําได้เราคนจะชื่นชมมากกวา่าอิจฉาเพราะว่าไม่มีใครสมหวังไปทุกอย่างโรคมันก็ไม่ได้ยุติธรรมทุกเรื่องถามผมอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วให้มันเป็น มันเป็นสัจธรรมมันเป็นปกติของมนุษย์ทุกคนนะครับขออย่างเดียวอย่าอย่าน้อยเนื้อจำใจอย่ามองตัวเองแล้วก็ว่าตัวเองว่าฉันไม่มีดีอะไรกอย่าครับก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเราทั้งสองคนนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร<อ>์ค่ะสี่นาฬิกาสามสิบนาทีถึงห้านาฬิกานะคะดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะ คุณยุ้ยรัตนงศูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยา ก, กับครูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล